ตรัสสอนเรื่องอสัตว์บุรุษคือคนชั่วและสัตว์บุรุษคือคนดีโดยแสดงว่าสัตว์บูรุษประกอบด้วยสัตว์ธรรมเจ็ประการคือ 1. คบสัตว์บุรุษคือคบคนชั่ว 2. คิดอย่างสัต์บุรุษคิดอย่างคนชั่ว 3. ปรึกษาอย่างอสัต์บุรุษปรึกษาอย่างคนชั่ว 4.